รัพที่เขาฝากไว้112ที่ชื่อว่ารั์ที่เขาฝากไว้ได้แก่สิ่งของที่ผู้อื่นให้เก็บไว้ภิกษุรับฝากของเมื่อเจ้าของทวงว่าจงคืนรั์ให้แก่ข้าพเจ้าปฏิเสธว่าอัตมาไม่ได้รับไว้ต้องอบัตทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอบัตทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่คืนให้เราต้องอบัตปาราชิก ภิสุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอบัติาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอบัติทุลใจ